หลังจากฝึกมองสภาพจิตของตนเองเมื่อให้ทานและรักษาศีลตลอดจนขยับขึ้นมารักษาสัตว์และฝึกเป็นคนดูแทนการเป็นผู้เล่นได้ระยะหนึ่งคุณจะพบว่าตนเองกำลังหันหลังให้กับเกมกรรมอย่างช้าๆคุณยังทำดีอยู่แต่ความดีนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อต่อเกมถ้ว่าเป็นไปเพื่อหยุดเกมคุณยังสวยสุขในการมอยู่ แต่จะมีภาคหนึ่งที่ตระหนักว่านั่นไม่ใช่ความสุขอันเลิศอลอยสักแค่ไหนคุณยังโกรธได้แต่จะหายเร็วและไม่เห็นประโยชน์กับการผูกใจเจ็บ น, น, นานๆคุณยังหลงผิดหลงพลาดอยู่แต่จะไม่มีเมฆหมอกใดมาห่อหุ่มจิตให้มืดทึบเกินกว่าจะรู้สึกตัวได้ในภายหลังทั้งนี้เพราะผู้ตั้งจิตให้อยู่ในทิศทางทาคะแนนบวก มีจุดหมายปลายทางแน่ชัดว่าเป็นไปเพื่อหยุดเล่นเกมแล้วนั้นจะมีอนุสติอย่างหนึ่งเหมือนใจบอกตัวเองว่าต้องบ่ายหน้านี้จากศูนย์กลางแรงดึงดูดไม่ใช่ปล่อยทอดหุ่ยให้ถูกดูดกลับไปเต็มตัวเหมือนเคยๆตามกฎของเกมกรรมผู้เที่ยงที่จะออกจากเกมกรรมได้นั้นอย่างน้อยจะต้องเห็น ความว่างจากเกมเสียก่อนจึงประกันว่าไม่หลงทางออกจากเกมแน่รู้วิธีออกจากเกมอย่างถูกต้องแน่ความว่างจากเกมก็คือความว่างจากกฎแห่งกรรมวิบากว่างจากสภาพอันถูกปรุงแต่งขึ้นด้วยกรรมไม่มีการประชุมกันของธาตุดินน้ำไฟลมอากาศไม่มีกระทั่งสภาพการรับรู้ อันเกิดจากตากระทบรูปหูกระทบเสียงความว่างจากการตกแต่งด้วยกรรมวิบากก็คือความว่างจากความไม่แน่นอนว่างจากอันตรายว่างจากความเปรียกปร้อนด้วยบาปกล่าวอีกในหนึ่งความว่างจากการตกแต่งด้วยกรรมวิบากก็คือความเที่ยงแท้แน่นอนคือบกอันแห้งสนิทจากบาปตลอดจนมีความวิเศษอยู่เหนือบุญ ความว่างอันเป็นที่สุดของรถดังกล่าวนี้จะสมมุติชื่อเรียกอย่างไรก็ได้ถ้าสำหรับชาวพุทธแล้วความว่างนี้เรียกว่านิพพานผู้ที่เห็นนิพพานได้เป็นครั้งแรกเรียกว่าโสดาบันการเป็นโสดาบันนั้นก็คือการเป็นผู้ปรับจิตปรับใจให้พร้อมจะเข้าสู่ภาวะพลงเฉียบพลันเห็นนิพพานและ ว, วิธีที่จะปรับจิตปรับใจดังกล่าว ก็คือการให้ทานถือศีลและเปลี่ยนตนเองจากผู้เล่นเป็นคนดูดังที่แสดงมาตามลำดับหลังจากเห็นนิพพานแล้วคุณจะไม่คิดอีกเลยว่ามีตัวตนถาวร อ, อยู่ที่ไหนถึงแม้คุณจะยังโลภหลงโกรธและหลงรู้สึกว่ามีตัวคุณอยู่เดี๋ยวนี้แต่ก็จะไม่หลงเห็นผิดว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเป็นตัวคุณ พรเห็นชัดว่ามันเป็นแค่การประชุมรวมของธาตุสีและคุณจะไม่เห็นกระทั่งจิตใจตัวเองเป็นตัวคุณเพราะเห็นชัดว่าอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและแม้กระทั่งการรับรู้ต่างๆมาด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาพูดง่ายๆว่าสภาพธรรมอันประกอบกับจิตของคุณทั้งหลายล้วนแปรปรวนไปเรื่อย เป็นสภาพที่ไม่ซ้ำกับสภาพเดิมสักชุดเมื่อเป็นอิสระจากการปิดบังของกายใจจิตคุณจึงพล่งทะลุออกไปเห็นอะไรอีกอย่างหนึ่งที่อยู่นอกขอบเขตของกายใจเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์อันแตกต่างจากทุกสิ่งที่เคยรับรู้มาและเมื่อเห็นนิพพานคุณจะเห็นด้วยสติเห็นด้วยจิตที่ทรงอุเบกขา ไม่ได้เห็นด้วยอาการหลงเข้าข้างตัวเองไม่ได้กำลังยืนอยู่ข้างกิเลสไม่ถูกครอบงาด้วยโมหะดังนั้นจึงไม่สงสัยอีกเลยว่านิพพานมีจริงไหมและด้วยวิธีอย่างไรจึงสามารถเห็นนิพพานได้เมื่อเห็นแบบประจักษ์คุณจึงไม่ต้องสงสัยด้วยว่าคนอื่นเห็นได้อย่างคุณไหมที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใด คือใครเป็นผู้นำวิธีเห็นนิพพานมาเปิดเผยคนนั้นย่อมเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดได้แก่พระศาสดาของพุทธซึ่งองค์ปัจจุบันคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมเมื่อเป็นโสดาบันบุคคลคุณจะยังอยู่กับลูกเมียได้เหมือนชาวบ้านชาวเรือนอื่นๆคุณยังดูหนังฟังเพลงได้ คุณยังไม่ต้องเลิกคบกับเพื่อนเก่าคุณทำทุกอย่างได้ตามปกติสิ่งที่ผิดไปคือคุณจะไม่ยืนอยู่ข้างบาปอันเกิดจากการผิดศีลอีกเลยจนชั่วชีวิตซึ่งนั่นก็หมายถึงการปิดอบายตลอดการเนื่องจากไม่มีเหตุสมควรให้ต้องตกต่ำลงไปรับโทษในกำเนิดนรกกำเนิดตดรัจฉานและกำเนิดเปรตอีกแล้ว หากยังไม่ใช่โสดาบันบุคคลก็ยังมีความไม่แน่นอนไม่ว่าจะทำบุญสั่งสมคะแนนบวกมาแค่ไหนก็ตามเพราะปุถุชนยังมีความประมาทได้ถูกโมหะครอบงาได้ตลอดเวลาการเป็นโสดาบันไม่ใช่ประกันได้เฉพาะแค่ชาติหน้าชาติตัดถัดไปจนถึงนิพพานคุณก็จะไม่ต้องพลาดลงต่ากว่าความเป็นมนุษย์อีกแล้ว คือต่ำสุดแค่มนุษย์สูงที่สุดแค่พรหมพ้นจากนั้นคือถึงนิพพานอันปราศจากการข้องเกี่ยวกับภพบน้อยใหญ่ทั้งหลายหากคุณไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะทำได้ยังไม่มีกำลังใจแก่กล้าพอจะตั้งสติดูกายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนก็มีทางลัดง่ายๆอีกทางหนึ่ง คือเตรียมตัวตายอย่างโสดาบันวิธีเตรียมตัวนั้นไม่ใช่ระหว่างมีชีวิตคุณไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างน้อยก็ต้องให้ทานรักษาศีลถึงระดับที่จิตใจเปิดกว้างสบายและปลอดโปร่งสะอาดสะอ้านระดับหนึ่งจากนั้นเชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่าพระองค์รู้จักนิพพานจริงทราบทางไปนิพพานจริง คุณยึดศาสดาองค์เดียวเป็นสรณะไม่หวังมีที่พึ่งอื่นอีกคุณควรสำรวจตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าถ้าให้ตายตอนนี้จิตจะคิดห่วงหน้าพวงหลังถึงอะไรบ้างก็ฝึกพิจารณาเสียว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงมีอันต้องเสื่อมสลายไปแม้ขณะที่คุณยังไม่เลิกห่วงแหนอยู่นั่นเองฝึกหยดความคิด สะสมความปล่อยวางวันละเล็กวันละน้อยอย่าดูถูกการได้คิดเล็กๆ็น้อยๆอยเพราะเมื่อสั่งสมมากแล้วการได้คิดจะกลายเป็นการคิดได้แบบตกผลึกเต็มภูมิเมื่อปล่อยวางเล็กๆน้อยๆอยได้ก็ขยับขึ้นมาปล่อยวางยังใหญ่ขึ้นอีกหน่อยอาศัยหลักความจริงที่ว่าถ้าจะเป็นพระโสดาบันต้องเห็นกายใจนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่น่ายึดมั่นถือมั่น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 ก็จะเป็นการซักซ้อมอารมณ์ก่อนตายได้จริงๆคือเมื่อมาถึงนาทีสุดท้ายของชีวิตจะเหมือนคุณคุ้นเคยและพร้อมเผชิญหน้ากับทุกสิ่งตามที่ได้ซักซ้อมไว้แล้วธรรมดาลมหายใจมีทั้งเข้าออกและขาดหายอยู่ตลอดเวลาเวลาจะตายก็เพียงเข้าออกครั้งสุดท้ายแล้วไม่มีการเข้าอีกเลยชั่วนิรันดร์ขอให้ถือความจริงนั้นแหละ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 เป็นอิสระจากความเกาะเกี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นเชื้อเพลิงสำคัญขับเคลื่อนไปสู่ความตายอย่างโสดาบันได้เต็มพิกัดหากคุณมีเวลาเหลืออีกส0ปีเพื่อเตรียมตัวตายด้วยวิธีดูลมหายใจขึ้นและหนึ่งครั้งก่อนนอนคุณจะสะสมความว่างจากตัวตนได้3650ครั้งซึ่งก็ทรงพลังพอใช้แล้ว ที่เป็นเช่นนี้เพราะความว่างจากอัตตาในนาทีที่จิตกำลังจะเปลี่ยนภพนั้นมีผลสำคัญใหญ่หลวงภาวะก่อนตายจะเป็นตัวช่วยให้รู้สึกชัดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวต้องไปแน่ไม่มีอะไรให้มือนี้กําได้อีกความเด็ดเดียวเฉพาะหน้าจึงเกิดขึ้นเมื่อปราศจากความห่วงหน้าพะวงหลัง แถมไม่รู้สึกว่าลมหายใจที่กําลังจะขาดจากกายเป็นสมบัติของเราจิตก็มีสิทธิสงบรวมลงถึงฌานด้วยอาการปล่อยวางได้ในช่วงสั้นๆตรงนั้นแหละที่ภาวะแบบโสดาบันจะปรากฏคือคุณจะเห็นนิพพานอันปราศจากนิมิตปราศจากรูปรอยใดๆหมดจากภาวะรับรู้เช่นนั้นก็จะตระหนักว่า ประตูอบายปิดสนิทเด็ดขาดแล้วมีแต่ความสว่างโพลงทั่วตลอดแล้วเงื่อนไขของเกมกรรมมีอยู่นิดเดียวเพื่อจะเป็นโสดาบันได้นั้นชาตินี้คุณห้ามฆ่าพ่อแม่ห้ามฆ่าพระอรหันต์แล้วถ้าคุณเป็นพระก็ห้ามทําให้สงฆ์ในวัดแตกกันเพราะบาปหนักเหล่านี้จะจํากัดสิทธิ์ไม่ให้จิตเข้าถึงความผนึกแน่นเป็นฌานก่อนตาย ซึ่งเท่ากับปิดกั้นไม่ให้มีทางหินนิพพานไปด้วยจากมีชีวิตที่คิดไม่ถึง